สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกคลมหาสังฆปรินายกพันศาี่หกมกุลบันพนอาตานาติยสูตร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 เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนเขาคิจกูรแขวนมะกนั้นไม่ปรากฏว่าในพนรรษาที่เท่าไหรผ่านยักษ์ผ่านพระนี้ใช้สวดในพระราชพิธีเดือนสี่เรียกว่าพระราชพิธีสัมพัสชรัชิงคือตัดปีหรือสิ้นปีเพราะเป็นพระราชพิธีในปลายเดือนสี่ขึ้นเดือนห้าซึ่งนับว่าเป็นต้นปีพระราชพิธีนี้เพิ่งมาเลิกในตอนหลังผ่านยักษ์ ผ่านพระนี้ได้แก่อาตานติตยสูซึ่งตัดมาสูตรในเจตตำนานขึ้นต้นว่าวิปัสสิสสะนัมมัตถุมีความย่อว่าเมื่อพระภูมีพระภาคเจ้าประทับอยู่บนเขาคิจกูดกร้กรุงรัชคฤืดสมัยหนึ่งเมื่อล่วงปฐมยานแห่งราตีแล้วเท้ามหาราชสีองค์พร้อมกับเซนาหมู่ใหญ่มา้าพระพุทธองค์ผู้เขาคิจกูสว่างสวัยไปทั่วเท้ามหาราชทั้งสี่ มีหน้าที่เป็นโลกบาลคือปกครองรักษาโลกทั้งสทิศคือ 1. ท้าวเวสสวรรณหรือกูเวนก็มียักษ์เป็นเสนาบริวารเป็นโลกบาลประจําทิศเหนือ 2. อท้าวถัตตะรัตมีคนทันหรือพูดเป็นเสนาบริวารเป็นโลกบาลประจําทิศตะวันออก 3. ท้าววิรุฬหกมีกุมะพันหรือเทวะเป็นเสนาบริวารเป็นโลกบาลประจําทิศใต้ 4.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 เพื่อคุ้มครองรักษาพุทธบริษัต์ทั้งหลายให้พ้นจากการถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่ภาสุขพระพุทธเจ้าได้ประทับโดยดุษณีภาพท้าเวสวร์จึงได้กราบทอาตานาติยระรคานิว่าวิปัสสิสสะัตนะมัตถุเป็นต้นใจความของบทรค า, านี้ขึ้นต้นด้วยนำมศ ก, การพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์คือ 1. พระวิปัสสี 2. พระสิขี 3. พระเวสภู 4. พระกากุสันทะ 5. พระโกนาคมณะ 6. พระกัสปะ 7. พระสักกายบุตรคือพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายในบัรนี้ต่อจากนั้นกล่าวถึงเรื่องโลกอันประกอบด้วยดวงอาทิตย์กลางคืนกลางวันและสมุดกล่าวถึงเท้าจตุโลกบาลทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้และทิศเหนือตามลาดับเท้าโลกบาลแต่และองค์มีโอรสองค์ละ91เท่ากัน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 เวลาจะหุงต้มก็ไม่ต้องใช้ฝืนใช้ไฟใช้ฐานใช้หม้อข้าววางบนก้อนหินสามก้อนที่เกิดไฟขึ้นเองเป็นต้นและกล่าวถึงท้าโลกาบาลผู้กรองทิศนี้คือท้าเวสว ร, ร์หรือท้ากุเวนว่ามีนครอยู่หลายนครมีชื่อว่าอาตานาตากุศินาตาประกุศินาตาเป็นต้นและท้ากุเวนนี้กล่าวว่าแต่ก่อนเป็นพรามชื่อว่ากุเวนได้บำเพ็ญกุศลไว จึงมาเกิดเป็นท้าวโลกบาลประจำทิศเหนือมีชื่อว่ากูเวนและเพราะมีรัชธานีอันวิสารคือกว้างใหญ่จึงเรียกว่าเวสวร์ต่อจากนี้กล่าวถึงยักษ์เสนาชั้นหัวหน้าซึ่งเป็นเสนาผู้นำข่าวสารสิบสองคนชื่อว่าตาโตลาตาตาลาตาโตตลาเป็นต้นกล่าวถึงสัโบคลนีและยักษ์ขสภ า, าชื่อว่าพัราวตีกล่าวถึงต้นไม้และสัตว์ต่าง ต่อจากนี้ได้กล่าวว่าอาตาณิตยรักขานี้เพื่อคุ้มครองรักษาพุทธบริษัททั้งหลายถ้าพวกอมนุษย์ที่เป็นเสนาบริวารของเท้าจ่าตุโลกาบาลจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามลูกชายหรือลูกหญิงก็ตามเป็นมหาอัมมาตเป็นบริษัทบริวารก็ตามจะพึงมีจิตคิดร้ายยืนเดินนั่งนอนเชียดกลายพุทธบริษัทผู้ใดผู้หนึ่งอมนุษย์ผู้นั้นก็จะต้องถูกตัดราบถูกไล่ที่ถูกตัดสมาคม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 ไม่ชื่อฟังพระเจชองค์การและเจ้าหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งก็เรียกว่าเป็นศัตรูของพระมหาราชพวกอามนุษย์ผู้ประพฤติละเมิดดังกล่าวก็เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นศัตรูผู้ทำผิดขัดเทพอนัตของเท้าจาตุโลกาบาลถ้าจะพึงมีขึ้นไซก็ให้ร้องกล่าวโทษแก่มหาเสนาบดียักษ์ว่ายักษ์ตนนี้ตนนี้เข้ามาจับมาสิงเบียนให้เกิดโรคเบียนให้เกิดอาพาธเบียนให้ผ่ายพร้อม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 ความย่อของอาตานติยสูตรมีดังกล่าวมานี้แบ่งออกเป็นสองตอนตอนต้นที่ท้าววิษณุมาเฝ้ากราบทูลและแสดงอาตานติยราคาของตอนเรียกว่าพานยักษ์หรือบทกล่าวของยักษ์ตอนหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรียกว่าพานพระหรือบทกล่าวของพระสูตรพานยักษ์ผ่านพระนี้ตอนต้นเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ต่อไป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 คำว่าพุทธนี้ใช้เป็นพระหูพจน์มีความหมายทั่วไปว่าผู้รู้ทั้งหลายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมาศาสดาก็เรียกว่าพุทธพระอาหารหันตาสาวกก็เรียกว่าพุทธแต่มักเติมคำว่าอนุข้างหน้าเป็นอนุพุทธแปลว่าผู้รู้ตามหรือผู้รู้ในภายหลังเรียกรวมกันว่าพุทธานุพุทธแปลว่าพระพุทธและพระอนุพุทธ พระพุทธนั้นมีพระองค์เดียวส่วนพระอนุพุทธนั้นมีมากเท่าจำนวนพระอรหันต์ตสามุกทั้งหลายเมื่อถือว่าเป็นพระพุทธด้วยกันก็กล่าวได้ว่าพระพุทธมีจำนวนมากในบางพระสูตรน่าแสดงพระพุทธอีกจำาพวกหนึ่งเรียกว่าพระปัจเจพุทธะแปลว่าผู้ตรัสรู้เฉพาะตนผู้เดียวไทยเราเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกโพธิท่านอธิบายว่า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 หรือพระสัพพัญยูพจทธเจ้าแปลว่าพระพุท ธ, ธผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงพระปัจเจกพุท ธ, ธะท่านแสดงว่ามีจํานวนมากอยู่ด้วยกันในที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งจํานวนหลายร้อยก็มีเมื่อแสดงถึงพระปัจเจกพุท ธ, ธะก็แสดงต่อไปว่ามีขึ้นในกาลสมัยที่ว่างพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธศาสนายังดํารงอยู่ไม่อันตรธานไปจากโลกพระปัจเจกพุท ธ, ธะ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 แสดงไว้เจ็ดพระองค์ในที่อื่นเช่นในคำพีชั้นอัตกถาแสดงย้อนหลังไปอีกมากรวมกันถึง28พระองค์ก็มีหรือที่ระบุจำนวนไว้มากยิ่งกว่านั้นอีกมากดังในบทสวดสัมพุทธเทต้นเจ็ดตา ม, มานซึ่งเข้าใจว่าแต่งในลังกาก็มีจะกล่าวแต่เฉพาะ28พระองค์ซึ่งมักอ้างในบทสวดหรือในการประกอบพิธีหลายอย่างมีดังนี้ 1. พระตันหังก่อน 2. พระเมธังก่อน 3. พระสารนังกรสพระทีปังกรรวมสี่พระองค์อุบัติขึ้นในกัปหนึ่งห้าพระโกณธัญญาเพียงพระองค์เดียวอุบัติในกรปหนึ่งหพระสุมังคะเจ็ดพระสุมาะ 8. พระเรวตะ9พระโสพิตะรวมสี่พระองค์อุบัติในกัปหนึ่งสบพระอนุมัติศีสิบเอ็พระปทุมมะสิบสองพระนารทะรวมสาพระองค์อุบัติในกรปหนึ่ง สิพระปทุมุตระเพียงพระองค์เดียวอุบัติในกับหนึ่งสิพระสุเมทะ15พระสุชาตะรวมสองพระองค์อุบัติในกับหนึ่งสิพระปิยทัศนศี 17. พระอัฏฐทัศนศี 18. พระธรรมทัศนศีรวม3พระองค์อุบัติในกับหนึ่งสิพระสิทธัตถะเพียงพระองค์เดียวอุบัติในกับหนึ่งยีพระติสัตยสิบเพระปุตสะรวมสองพระองค์อุบัติในกับหนึ่งยี พระวิปัสสีเพียงพระองค์เดียวอุปบัติในกัปหนึ่งยีบสามพระสิกขี24พระเวสสภูรวมสองพระองค์อุปบัติในกัปหนึ่งยีบห้าพระกากุสันทะยีพระโกนาคมณะ27พระกัสสปะ28พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายรวมสี่พระองค์อุปบัติแล้วในกับนี้อันหนึ่งในกับนี้เองจกอุปบัติขึ้นในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์คือพระเมตยะ ไทยเราเรียกว่าพระเมตไตรหรือพระศีอรยเมตไตรแต่มักเรียกกันว่าพระศรีอานเพราะในกับปัจจุบันนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึงห้าพระองค์รวมทั้งพระศรีอานจึงเรียกว่าพัทธกับหรือพัทธลักแปลว่ากับเจริญนับรวมพระพุทธเจ้าที่ระบุพระนามอันเป็นส่วนอดีตได้28พระองค์นับตั้งแต่พระวิปัสสีได้เจพระองค์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 จำนวนพระพุทธเจ้า28พระองค์นับตั้งแต่ในกลับของพระทีปังกรพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงพยากรณ์พระบรมศ า, ศาสดาของเราทั้งหลายว่าจะได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามที่ท่านเล่าไว้ว่าในที่สุดแห่งสี่อสงไขยหนึ่งแสนกลับจากปัตภกับนี้มีนครหนึ่งชื่อว่าอมอรวดีได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าสุมเมธอาศัยอยู่ในนคร น, นั้นเป็นพราหมณ์คฤบดีบัณฑิตมั่งคั่งด้วยทรัพย์ต่างๆ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 เป็นของคู่กันจึงสละทุกสิ่งออกบวชเป็นดาบทประพฤติพรพรหมจรรย์นในปาสําเร็จสมาบัติ8และอภินยาห้าใช้เวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขอันเกิดจากสมาบัติสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าที่ปังก่อนอุบัติขึ้นในโลกเสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาจนกล้จะถึงรามกนครประทับ พ, พักอยู่ในสุทัศนมหาวิหารประชาชนชาวรามกนคร ได้ออกไปเฝ้าทุนเชิญเสด็จเข้าสู่พระนครเพื่อรับปินทบาทในวังรุ่งขึ้นแล้วพากันตกแต่งทางที่เป็นเปือกตมหลุมบ่อต้นไม้ขึ้นรกรุงรังช่วยกันถมแผ้วถางเกลียให้เรียบร้อยโรยข้าวตอกดอกไม้ยกทงชั่ทงผืนผ้าต้นกล้วยเป็นต้นในการนั้นสุเม็ดดาบทได้ผ่านมาพบเข้าถามทราบความแล้วจึงขอแบ่งที่ตกแต่งทางตอนหนึ่ง ไม่ยอมใช้ริดลงมือขนดินถมทางด้วยตนเองครั้นพระพุทธเจ้าที่ปังกรเสด็จผ่านมาก็โทอดตนลงนอนถวายหลังให้เป็นทางเสด็จและเมื่อได้พินิษพิจารณาเห็นพระพุทธสริของพระพุทธเจ้าที่ปังกรมีความเลื่อมใสจนถึงตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านแสดงว่าถ้าแม้สุเม็ดดาบทขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุพุทธสาวกของพระทีปังกรพุทธเจ้า ก็จะพึงบรร ล, ลุนิพพานได้ในชาตินั้นแต่สุมเมธดดาบดปรารถนาที่จะบรร ล, ลุสัมโพธิญาณเหมือนพระธีปังกรทศพลช่วยยกมหาชนขึ้นสู่ธรรมนาวะพาให้ข้ามจากสงสารสาครแล้วจึงจะปรินิพพานในภายหลังฝ่ายพระธีปังกรทศพลเมื่อเสด็จถึงองค์สุมเมธดดาบดประทับยืนณนะที่เบื้องศีรษะก็ได้ตรัสพยากรว่าดาบดนี้ทรมภินิหารปรารถนา เพื่อเป็นพระพุทธะความปรารถนาของดาบทนี้จกสําเร็จในอนาคตเบื้องหน้านนทนสมเด็จดาบทครั้นได้รับพุทธภรรยากรก็ได้ชื่อว่าเป็นโพธิสัตว์จําเดิมแต่นั้นมาท่านแสดงว่าอภินิหารความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นจกสําเร็จพระผู้ตั้งความปรารถนาประกอบด้วยธรรมสมุทฐานแปดประการคือความประชุมแห่งธรรมคือคุณสมบัติรวมกันครบ ได้แก่หนึ่งเป็นมนุษย์สองเป็นมรุทเพศสมบูรณ์สมีเหตุสมบูรณ์คือมีนิสัยบา ร, รมีพร้อมทั้งการปฏิบัติประมูลกันเป็นเหตุที่จะให้บรรลุพระอรหัสตในอัตภาพนั้นก็ได้แล้วแต่เพราะปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงยังไม่สำเร็จก่อนสได้เห็นพระศาสดาคือได้เกิดธรรมและได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหบรรพชาคือ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 คือมีความพอใจมีอุตสาหะพยายามยิ่งใหญ่จนถึงเปรียบเหมือนว่ายอมแบกโลกทั้งโลกเพื่อ น, นําไปสู่แดนเกษมได้หรือเปรียบเหมือนว่ายอมเหยียบย่ําโลกทั้งโลกที่เต็มไปด้วยกวางน้ำหอกดาบและทานเพลิงไปได้ท่านผู้ประกอบด้วยธรรมสมุทรแปดนี้ทําอภินิหารปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในสํานักของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งความปรารถนาของท่านย่อมสําเร็จได้สุเมตดาบท มีทมสมุทราน8ข้อเหล่านี้บริบูรณ์จึงมีอภินิหารปรารถนาพุทธภูมิได้และว่าเรียกพระโพธิสัตว์จำเดิมแต่ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรทศพลต่อจากนั้น<ม>พระโพธิสัตว์ก็ได้บำเพ็ญพุทธการะกะธรรมหรือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าสิบประการได้แก่หนึ่งบำเพ็ญทานสละบริจาคสิ่งทั้งปวงจนถึงร่างกายชีวิตให้ได้หมดสิน้น เหมือนอย่างเทพาชนะน้ําว่ำจนหมดน้ํา 2. บําเพ็ญศีลรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเหมือนอย่างเนื้อทรายรักษาขนยิ่งกว่าชีวิต 3. บําเพ็ญเนกาขมำออกจากกรามจากบ้านเรือนเหมือนอย่างมุ่งออกจากพันธนาการ 4. บําเพ็ญปัญญาเข้าหาศึกษาไต่ถามบัณฑิตโดยไม่เว้นว่าจะเป็นบุคคลมีชาติชั้นวรณะต่ําปานกลางหรือสูงเหมือนอย่างภิกษุเที่ยวบินทบาทรับไปโดยลําดับ ไม่เว้นแม้ที่ตระกูลต่ำห้าบำเพ็ญวิริยะมีความเพียรมั่นคงไม่ย่อหย่อนทุกอิริยาบถเหมือนอย่างศิหราชมีความเพียรมั่นคงในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงหบบำเพ็ญขันติอดทนทั้งในการได้รับการยกย่องทั้งในการถูกม่นคนเหมือนอย่างแผดินใครทิ้งของสะอาดไม่สะอาดก็รองรับได้ทั้งนั้นเจ็ดบำเพ็ญสัจจรักษาความจริงไม่พูดเท็จทางรู้ แม้ฟ้าจะผ่าเพราะเหตุไม่พูดเท็จก็ไม่ยอมพูดเท็จหรือแม้เมื่อพูดเท็จจะได้รัพย์เป็นต้นก็ไม่ยอมพูดเท็จเหมือนอย่างดาวโอสถีดำเนินไปในวิถีของตนที่ตรงทุกฤ ด, ดู8บำเพ็ญอธิษฐานตั้งใจมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวคือเด็ดเดี่ยวแน่นอนในสิ่งที่อธิษฐานใจไว้เหมือนอย่างภูเขาหินไม่หวั่นไหวในเมื่อถูกลมกระทบทุกทิศ9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 ได้บำเพ็ญบรารมีนับตั้งแต่ได้รับพยากรณ์จากพระธีบังกรพุทธเจ้าตลอดเวลาเสียสงไขยหนึ่งแสนกับผ่านพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในกับนั้นนันนบแต่พระธีบังกรเป็นต้นมาถึง24พระองค์ดูพระพุทธเจ้า28พระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบรารมีที่บำเพ็ญมาโดยลําดับดังกล่าวแบ่งเป็นสามขั้นขั้นสามัญเรียกว่าบรารมีขั้นกลางเรียกว่า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 ในตอนต่อไป